เรื่องภิกษุคืนผ้าบางสกุลพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งได้ยินว่าภิกษุรูปหนึ่งผู้ขี่นาศเป็นพระอรหันต์ถือเอาผ้าบางสกุลผืนหนึ่งด้วยบางสกุลลสัญญาโดยคิดว่าหาเจ้าของไม่ได้แต่พระมิจฉาทิฐิคนหนึ่ง เขาวางทิ้งเอาไว้พรามเจ้าของผ้าได้มาเห็นจึงกล่าวต่อว่าเมื่อรู้ว่ามีเจ้าของพิกษุนนั้นก็คืนให้ไปกลับเข้าสู่วิหารแล้วเล่าให้เพื่อนพิกษุทั้งหลายฟังถูกถามแล้วว่าผ้าเนื้อหยาบหรือละเอียดยาวหรือสั้นพระขีนาสกตอบว่าช่างเถอะความอะไรในผ้านั้นของผมไม่มี ผมถือเอาด้วยคิดว่าเป็นผ้าบางสกุลต่างหากภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้ากราบทูลใหสทงทราบ พ, พระศัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุนั่นกล่าวคําจริงธรรมดาพระกี่นาศพทั้งหลายย่อมไม่ถือเอาสิ่งของของคนเหล่าอื่นดังนี้แล้วจึงตรัสพระคถ า, าว่าผู้ใดไม่ถือเอาของยาวหรือสั้น น้อยหรือใหญ่งามหรือไม่งามอันเขาไม่ให้แล้วในโลกนี้เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยพจทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ